ภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลรู้สึกตัวกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปพุทธพ์ มีญาติธรรมบางท่านได้มาพูดคุยซักถามปัญหาเกี่ยวกวับเรื่องธรรมะคือท่านถามว่าเราจะทำอย่างไรที่จะให้ปฏิบัติธรรมนก้าวหน้าพัฒนามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมจะทำอย่างไรให้เราปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะเรื่องการเจริญสติเนี่ยให้เก่งเหมือนกับคนอื่นนี่คือคำถามก็เคยได้ยินบ่อยๆคำถามแบบนี้แม้แต่ตัวผมเองเนี่ยก็จะเคยถามตัวเองนี่เรากำลังเล็งถึงผลของการปฏิบัติ แต่คำถามพวกนี้ไม่ผิดนะนะเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะถามได้แต่ส่วนคำตอบเนี่ยอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้คำนึงถึงข้อหนึ่งว่าเราจะไปฏิปทาได้ก้าวหน้าช้าหรือเร็วเนี่ยบางทีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเคยสั่งสมอะไรไว้ในอดีต อันนี้สำคัญนะเราเคยสั่งสมอะไรไว้มากๆในอดีตเช่นว่าเราสั่งสมแต่เรื่องกรรมอกุโสลกรรมกิเลสที่เป็นฝ่ายบาปเอาไว้มากมายแล้วก็ไม่เคยที่จะสะดับตับฟังพระสัทธรรมเลยไม่เคยคบกัลยานามิตร แล้วก็ไม่ได้เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนอันนี้คือฝ่ายที่ําให้เนิ่นช้าเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมในปัจจุบันอีกส่วนหนึ่งคือส่วนของบุญกุศลเป็นฝ่ายของความดีได้เคยให้ทานเคยรักษาศีลเคยเจริญภาวนาเคยได้สะดับตับวางพระสัตธรรม คบแตกกัญยาณมิตรอันนี้เป็นเหตุปัจจัยให้การปฏิบัติธรรมเนี่ยก้าวหน้านี่เักเกี่ยวข้องกับเรื่องการสังสมว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราสังสมอะไรไว้มากความเคยชินเก่าๆที่เราได้เคยทำมาในอดีตคำว่าอดีตเนี่ยเรามองใกล้ๆตัว เมื่อวานนี้วันซืนนี้ย้อนหลังกลับไปจนเราจำความได้ไสิ่งแวดล้อมเราเป็นอย่างไรที่เราอยู่เนี่ยสถานที่ที่เราเกิดมาเนี่ยมันสนับสนุนให้เรามีกุศลธรรมไหมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เราเป็นสมาทิฐิหรือเปล่าทั้งญาติพี่น้องอันนี้เป็นส่วนช่วยในการชี้ผลว่าปัจจุบันเนี่ย เราปฏิบัติทำได้อย่างไรเก่งหรือไม่เก่งพัฒนาหรือไม่เนี่ยอันนั้นคือเรื่องราวในอดีตมองย้อนหลังไปแต่ผมคิดว่ามาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยเราอย่าไปคํำนึงถึงเลยสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ให้เขาผ่านไปเหมือนสายน้ำเราคิดได้ แต่เราก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะ่ะเราควรจะมาปรับปรุงพัฒนาชีวิตเกี่ยวกับเรื่องการไปฏิบัติธรรมเนี่ยในปัจจุบันดีกว่าและไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครกรรมใครก็กรรมเรา <c ười> คือหมายถึงว่าใครทำใครได้ใครสั่งสมอะไรมาก็ได้อย่างนั้นอย่าไปเปรียบเทียบบุญวาสนาเนี่ยมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เรามองคนอื่น เพื่อเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นแรงบันดาลใจมองเขาแล้วก็เอามาใช้กับตัวเราอย่าไปเปรียบเทียบว่าเขาดีกับเราเราแย่กับเขาอะไรเงี้ยมันทำให้เราเนิ่นช้าเราดูตัวเราว่าปัจจุบันเนี้ยถ้าเรามีศรัทธาศรัทธาคือมีความพอใจที่จะปฏิบัติธรรมโอ้ดีแล้วนะเนี่ย เริ่มต้นจากศรัทธาก่อนแล้วเราก็มีการสนับสนุนฟังธรรมะเป็นประจำอันนี้ก็ดีขึ้นไปอีกศรัทธาแล้วเราก็ฟังถ้าจใจดีขึ้นกว่านี้ก็คือต้องมีการลงมือปฏิบัติเลยลงมือจเจริญสติเลยการปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องไปคิดอะไรมากเอาเอาวุธที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยคือความเพียรน ในตัวเราเนี่ยเราเพียรสร้างสติจะิศสติให้มากๆทํทำให้มากๆทํทำให้บ่อยๆทำเป็นนิ ส, สัยเลยอย่างในภาษาบาลีเ้าเรียกว่าอะไรภาวิตาภาหุลิกตาญานิกตาคือทำให้มากทำให้บ่อยทำจนชำนาญให้เป็น เครื่องอยู่เครื่องอาศัยของชีวิตเราเลยดูซิว่ามันจะไม่เก่งก็ให้มารู้ไปขยันให้มากๆแล้วก็พยานอย่าไปสงสัยขจัดความสงสัยออกไปจากจิตใจซะไม่ต้องสงสัยเราลงมือปฏิบัติแล้วไม่ต้องสงสัยไม่ต้องไปหวังผลคาดหวังไม่ล่วงหน้า ทำเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบเร่งถ้าเราไปหวังผลไปสงสัยไปรีบร้อนเนี่ยอันนี้เราทำไม่เนิ่นช้าปฏิบัติอย่างไรก็ไม่เก่งเพราะโมัวแต่สงสัยอยู่นั่นแล้วไม่ตกลงใจได้สักทีแล้วก็หวังผลว่าจะได้อะไร ลุกนีลุกลนไม่ใช่กระตือหรือลนนะนการลุกลีลุกลนเนี่ยจิตก็จะไม่สงบนะจิตมันจะฟุ้งซ่านวุ่นวายการปฏิบัติก็ไม่เก่งเราเพียงแต่ทำสบายสบายเวลากายมันเคลื่อนไหวเราก็มีสติรู้ถ้ามันจะไม่เคลื่อนไหวอะไรเราก็กระดิกนิ้วเล่นแล้วก็รู้สึกตัวลงไปที่นิ้วมือกาลังกระดิก เนี่ยไว้เ ว, วลามันเกิดความคิดโอ้เราก็รู้ว่ามันคิดถ้ามันไม่คิดเราก็รู้สึกตัวอยู่ที่การเคลื่อนไหวของกายก็ได้หรือถ้าหากว่าเราปฏิบัติจนพัฒนาแล้วโอ้รู้กายก็รู้เป็นแล้วเข้าใจแล้วเรื่องการรู้กายเคลื่อนไหวเรื่องความคิดเราก็รู้ทันได้ เราดูความคิดเป็นแล้วอันนี้เราอาจจะเพิ่มบทเรียนนะเราลองมาดูอยู่ภายในรู้อยู่ภายในรู้อยู่ภายในรู้อะไรก็รู้อยู่ที่ตัวผู้รู้หรือรู้ในรู้นี่คือการดูจิตรู้กายก็ได้รู้จิตก็ได้ มันเกิดอะไรขึ้นเราก็รู้ตรงนั้นมีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นมันคิดนึกอะไรก็รู้ให้ทันมีสติรู้ลงไปให้ทันแต่ถ้ารู้ไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะไม่ทันก็ไม่ทันก็มันไม่ทันเรา จ, จะว่าอย่างไร <c oughs> ก็อย่าไปทุกข์อย่าไปเครียดอย่าไปหงุดหงิดเมื่อรู้ไม่ทันเออเราก็รู้ว่ามันไม่ทันสติมันเกิดแล้วนะ เริ่มต้นรู้ใหม่ก็ได้ไม่ผิดการเจริญสติเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีเก่งหรือไม่เก่งนะมีแต่ว่ารู้หรือไม่รู้เท่านั้นพยายามรู้ให้ทันถ้าไม่ทันเริ่มต้นรู้ใหม่สำคัญขอให้มีรู้กันแล้วกันคือมีความรู้ตัวกันแล้วกันจะปฏิบัติให้เก่งให้จำนานนั้นจะต้องไม่มีเวลาหยุดนะ การเจริญสติเนี่ยไม่มีวันหยุดไม่มีวันเสาร์ไม่มีวันอาทิตย์ทําไปเรื่อยๆทําได้ทุกเวลาที่เรานึกได้ถ้าเรานึกได้เมื่อไหร่ล้วก็รู้สึกตัวทันทีเลยสติเกิดแล้วเกิดอะไรขึ้นเราก็รู้สึกตัวทําเรื่อยๆทําสบายๆถ้าเราไปหยุดสติหยุดความรู้สึกตัวเนี่ย ความหลงก็จะเข้าแทรกทันทีเลยเราต้องพยายามที่จะสร้างตัวรู้เข้าไว้เพื่อป้องกันตัวหลงอนะ่ะสร้างตัวรู้เพื่อป้องกันตัวหลงทุกครัง้งที่เรามีความรู้สึกตัวเนี่ยธรรมะก็ย่อมเกิดขึ้นมีสติเกิดที่ไหนธรรมะเกิดขึ้นที่นั่นนะ ทุกครั้งที่เรามีความรู้ตัวทั่วพร้อมกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเนี่ยย่อมจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการป้องกันอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ เ, เขาเกิดขึ้นแม้ว่าอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วที่เป็นไฟายบาปถ้าเรามป็สติรู้เท่าทันเนี่ย อกุศลธรรมนั่นก็ดับไปในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะตั้งแต่ตื่นนอนมาตอนเช้าจนทั้งหลับไปในตอนค่าถ้าเราพยายามที่จะใส่ใจที่จะเจริญสติให้รู้สึกตัวอยู่เสมอๆ เ, เนี่ยนี่ถือกับว่าเราสร้างกุศลได้ทั้งวันเลยนะกลางคืนเราก็ทําได้แล้วหลับไปแล้วเนี่ยบางทีเรามีเวลาตื่นมาตอนกลางคืนตื่นมาปัสสาวะ เราก็รู้สึกตัวทันทีเลยว่าเรารู้สึกว่าเราตื่ น, นไปปัสสวะแล้วกลับมานอนเหมือนเดิมอย่างนี้ยกุศลธรรมก็เกิดขึ้นในยามค่าคืนได้เหมือนกันเนไเนี่ยมันเก็บเกี่ยวกุศลธรรมได้ตลอดเวลาเลยแต่ละวันที่ทําได้อย่าปฏิเสธอย่าไปเป็นทุกข์อย่าไปใส่ใจว่าเราปฏิบัติไม่ดีเหมือนเขาเราทําไม่เก่ง เราคงไม่มีบุญวัฒนาระบบีอย่าไปคิดเสียเวลาถ้าวันนี้เราปฏิบัติแล้วก็ใช้ได้แล้ววันนี้เราทําแล้วก็ใช้ได้แล้ววินาทีนี้เรารู้สึกตัวแล้วก็ใช้ได้แล้วจบในเรื่องราวกันดีเลยความรู้สึกตัวเนี่ยขอให้เรามีไว้เป็นคู่ชีวิตของเรานี่ละสมรสกับสติสมรสกับความรู้สึกตัวนี่แหละดังที่ ท่านธรรมวโทเนี่ยวัดโสมนัตวลมิหารท่านได้แต่งไว้เป็นกรอนเกี่ยวเรื่องความรู้สึกตัวไว้อย่างไปเราะเพราะพิงไว้ว่าความรู้ตัวเป็นธรรมสุดล้ำเลิศก่อให้เกิดกุศลผลสดใสอกุศลทั้งหลายหดหายไปทำอื่นใดหรือจะสู้ ความรู้ตัว